หหสหรับผมนั่นก็คำแนะนำจพระอาจางก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วกับพูตรต่างๆโดยเฉพาะชากะชกะสูตรนั้นช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราเดินนั้นเราก็ใช้วิธีต่างๆกันสำหรับผมก็ใช้คา้นานาสติพอเดินได้สักระยะหนึ่งก็พิจารณารมโดยเฉพาะปิปัสนา นะฮาใช้ให้ช <c oughs> นจิตให้เป็นกุศลทางกายทั้งวัชีนะทั้งใจให้เป็นกุศลเพื่อจะได้ให้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาส่วนจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ปัญญาของท่าละท่านนะฮะก็ <c oughs> ไม่ส่วนใหญ่ก็จะไปที่จะดีนะฮะ ไม่ไปที่ไหนอื่นนอกจากที่ผมจะเรียนทรัพย์ไปอาการปฏิบัติธรรมที่นั่นค่อนข้างจะมากผู้คนเพราะต่างคนก็ต่างมีหลายชาติหลายภาษานะครับ อ, า, อาจะให้ได้มีสมาธิจริงๆของคนที่ค่อนข้างจะเก่งนะเพราะว่าส่วน ยกตัวอย่างเช่นพวกที่มาจากทิเบตญี่ปุ่นเขาก็ใช้ทำบุญด้วยเสียงเป็นส่วนใหญ่นะฮะมีการเคาะการเป่าแตรมังอะไรมัง่งนะ ม, มีมีหลายประเภทนะฮะคนจีนก็มีนะญี่ปุ่นก็มีแล้วก็พในชุดที่ผมไปนั้นก็เจอชุดจากประเทศอังกฤษชุดหนึ่งน ะ, ะซึ่งนำโดยพระซึ่งมี อายุพรรษาสาสิบสองพรรษาแล้วก็นำโดยมีาก็มีพระที่ท่านบทเองอีกสามรูปพร้อมด้วยะนะฮะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อาจารย์สุมเมทโทระแต่ผมไม่รู้จักนะฮะท่านรูปร่างท่านเตีเต้ยหน่อยนะฮะหนา อ, ม อ, มอุมอายุมากแล้วนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ซึ่งเป็นพุธทั้งสิ้นนะะประมาณยี่สิบคนและในกลุ่มนั้นก็มี คนไทยหนึ่งท่านเป็นผู้หญิงท่านได้สามีเป็นคนอังกฤษแล้วผู้หญิงพม่าอีกท่านหนึ่งได้สามีเป็นคนอังกฤษเหมือนกัน น, น, น้องนันกาเป็นศษ เ, เป็นแคนาดามั่งอะไรบ้างไปอยู่ที่อังกฤษกันก็ได้ไปกราบท่านท่านก็บอกว่าอาตมาเคยไปเมืองไทยผู้ประสาทได้ทั้งครองแนะม่ริมก็เคยไปเามือนนนะ <c oughs> ท่านก็ ไปนั่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง <c oughs> กลุ่มนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็ไปกราบเจ้าวาดที่วัดไทยนารันธา <c oughs> แล้วก็ไปที่วัดป่าพุทธกยาก็เป็นกลุ่มที่สนใจพุทธศาสนามากนะลองลองถามดูแล้วก็มีเพื่อนรุ่นผมอยู่คนหนึ่งนุ่มกว่าผมหน่อยอายุขงหกสห้าปีเนี่ไปเจอคนนั้นก่อนอนะ่ะเราไปฟังกับมากับกลุ่ม แล้วก็เลยเขาก็พาไปพบกับกลุ่มเขาส่วนใหญ่เขาพวกที่โรงแรมที่ติดกับอยู่ทางด้านติดกับวัดไทยพุทธคยา น, นั่นเองเป็นโรงแรมของชาวพุทธนะฮะ <c oughs> อาการปฏิบัติธรรมที่นั่น <c oughs> ผมว่าเป็นครั้งที่ผมมีประสบการณ์มากพอสมควร <c oughs> มากกว่าครั้งแรก ยิ่งไปยิ่งดีผมว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งอ่ ะ, ะแม้แต่การเริ่มต้นการเตรียมตัวการเข้าใจะจะมากขึ้นโดยเฉพาะเป็นพิเศษไปครั้งนี้น ะ, ะเริ่มรับปีบากตั้งแต่สนามบินแล้วไม่น่าเชื่อสิ่งที่เคยไปหลวงพ่อบางเมื่อสองสามเมื่อสองปีก่อนสามปีก่อนนะฮะมีกระดาษแทนหนึ่ง ตอนที่ขึ้นจากฝั่งไทยขากลับไม่ได้สเต็มนะฮะเขาก็เลยบอกว่าโอ oh. ชื่อของท่านยังห้อยอยู่ที่นู้นเลยไม่ไปไหนเลยนะฮะแล้วท่านจะไปอิเดียได้ยังไงนะฮะเขาก็ขอพา ส, สปอร์ตผมมาทั้งหมดอ่ะให้หมดแล้วแล้วไปติดต่อ <c oughs> เขาติดต่อไปติดต่อมาก็คงจะไม่ได้เรื่องผมก็ปรงแล้วนะถ้าได้ไปก็ดีไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไร <c oughs> ตอนหลังเขาบอกว่าเอาไปได้ไม่มีปัญหาแต่ได้บุญเอามาฟาผมบังกันแล้วกันผมไม่เป็นไรครับให้แน่พอเดินทางขึ้นเครื่องบินแล้วพอไปถึงกรุงเทพไอ้ใบใไไบใบพ า, า, านนะไม่ได้ให้ผมไปด้วยคงอยู่ที่เชีงยงใหม่นั่นเองทางโน้นก็เอายังไงกันละ่ะเนี่ยคุณทันรนีก็เต้นนะเนี่ยจะช่วยผู้การได้ยังไงนะก็พอดีทางเชีงยงใหม่นั่นนะ เขาก็ส่งสารไปที่กิงเทศมแหละบอกว่าคุณเดชาลืมหลักฐานที่ช่างไม่ขอให้ท่านผ่านไปแล้วการออกใบสำรองให้เขาก็พิมพ์ออกให้ก็มีโอกาสเด็กไปอินเดียนในครั้งนั้นเองนะแล้วก็ระวางอยู่ที่นั่นนะสิ่งที่มันไม่เคยพูดออกมาก็เคยพูดออกมา เช่นเรื่องที่กินเหล้าเมื่อทั้งยี่สบสามสิบปีก่อนนะไม่เคยฝันเลยเรื่องนี้นะฮะแพงออกเทนอนต์อ่ะปเป็นมาหนะูน่ะทั้งที่นอนอยู่ในวัดแท้ๆยังเมาเหล้าอยู่โอ้ผมนี่โอ้นะแลนะนะอีกหลายเรื่องะฮะที่ผมไม่ควรเล่าอ่ะันออกมาเทนนตนอ่ะออแถมมาถึงเมืองไทยยังแถมอีกนิดหนึ่ง เราผมว่าได้ประสบการณ์หลายอย่างครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งเตือนให้เราอีกอย่างนะึงว่าอย่าประมาทนะนึกว่าไม่มีก ร, รมนะมันจต้องมาให้ผลอย่างแน่นอนนะครับฮนะอันนี้เป็นเรื่องที่ได้อยู่ที่นนนะก็ระหว่างที่อยู่ที่นนก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิชัยเช่นเคยฮนะหลังจากที่ท่านพาทัวร์อื่นๆไปจนเรียบร้อยแล้วก็ท่านมาดูแลกลุ่มของเรา พาไปนนท์พาไปนีแต่ถ้าท่านไปไม่ได้นะท่านบอกว่ามีสามเณรองหนึ่งนะพูดไทยได้ด้วยนะฮะท่านคงรู้จักนะท่านสมมเณรนาคมณีเป็นคนอินเดียอายุสิบสามปีนะฮะผมแซวท่านเอาท่านพูดอินเดียนะเก่งมากโอ้อาตมาเป็นคนอินเดียนี่ว่างานนะฮะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะภาษาไทย เปียนปีเศษพูดกระารู้เรื่องทุกอย่างอะ่ะนะฮะแถมภาษาฝรั่งเศสก็ได้พอสมควรนะฮะหลตอนขากลับเลยผมว่าขอที่อยู่ในเพื่อเขียนจะเขียนจยนดหมายมาท่านมานมึงเอาอาตมาขี้เกียจเขียนจดหมายนะอาตมาเล่นอินเทอร์เน็ตสบายกว่ามนะัจะให้ที่อยู่ยงบังกระไกันเอาสองที่เนี้ย อ, อ, อตาตมามีตั้งห้าอดเดรสเหมือนกันเลยแให้มาสองที่นะฮะเป็นเป็น เน้นที่เก่งนะเป็นลักษณะที่เป็นผู้ที่มีมีปุ๋นนะครับแล้วก็เขาพาไปเยี่ยมตอนที่เดินทางไปวัดอาไทอาพุทธคยากรผ่านร้านค้าบอกนี่ร้านยมพ่อของขอ ง, ของเน้นนะพ่อเขามีลูกสองคนคนเล็กเก้าขวบกําลังเรียนหนังสืออยู่เป็นผู้ชายเหมือนกันนะพ่อเขาขายของก็พวกเราก็ไปซื้อของซื้อรูปภาพอะไรหลายอย่างที่นั่นนะครับ เนี่ยบอกพ่อขุณโยมเก็พาไปซื้อผ้าซื้ออะไรก็หลายท่านที่มีโอกาสจะไปข้างหน้าก็ถ้ามีสมณีช่วยก็จะสะดวกมากนะโดยเฉพาะเรื่องการซื้อผ้าซื้ออะไรเงี้ยถ้าเน้นพาไปแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะเป็นคันเองหน่อยนะครับอ่าโดยเฉพาะเน้นองค์นี้นะครับถ้าผ่านร้านอินเดียทั้งหมดเขาเรียกอาจารย์นะฮะนั่นะเรียกเนนอ่ะเน้นนะนะเรียกอาจารย์ ผมถามว่าทำไมได้อาจารย์ฮเป็นโครดสอนได้ลหลายอย่างะนะคือเป็นเป็นอาจารย์ที่เขาพวกนักคารอบอ่ะแล้วกับพระสงฆ์เกือบทุกรูปที่อยู่ที่นั่นอ่ะไม่ว่ามาจากไหนเขารู้จักหมดอ่ะเน้นตรงนี้นะฮะคือเป็นเน้นที่ที่ท่านเป็นผู้ที่มีปฏิสันานด์ดีนะฮะคงจะเกิดด้วยจิตสมนัติเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะก็ถ้าท่านไปท่านก็ลองไปแวะเยี่ยมที่วัดป่าอ่าพุทธคยาด้วยนะครับอ่ อาวันเดินทางกลับพระอาจารย์ก็มาส่งนะครเดินทางออกจากโบริขยาโบกยามาส่งที่า ก, กาคตาท่านก็นอดรับโอนมาส่งกับพวกผมก็พอดีขากลับก็มีอีกชุดหนึ่งที่ท่านนามาด้วยกับไอชุดที่มาจากภูกเก็ตซึ่งท่านรู้จักกับพวกเด็ก ซึ่งเด็กนะ่ก็มีผู้ชายคนและผู้หญิงสามคนตอนอายุสักยี่สิบเศษๆนะเป็นผู้ที่สนใจมากคณะนโมธนากับเขานะครับเราก็มาด้วยกันวัน <c oughs> นั้นนะพอมาถึงก็มาเนื่องจากจะต้องขึ้นรถไฟห้าทุ่มครึ่งไม่ใช่ฮะจะต้องขึ้นขออภัยจะต้องขึ้นเครื่องนะฮะประมาณตอนบ่ายแต่แทนที่เราจะออกจากโปรตุเกสเอา อ่าพุทธกยาวันที่สามนะฮะภาอาจารย์ให้ออกวันที่สองแล้วต้องมานอนค้างคืนที่อ่ากัคคาอีกคืนหนึ่งเพราะท่านบอกว่าประมาทไม่ได้นะอาตมาโดนแล้วนะรถไฟเสียวลตับบ้งห้าหกชวงเราจะพาให้พวกเราต้องตกเครื่องบินด้วยนะฮะก็ตกลงก็ออกจากนนท์วันที่สองมาค้างคืนที่อ่าที่อ่ากัคตาหนึ่งคืนนะอ่าที่วัดไทยไม่ใช่วัดไทยแล้วเป็นเป็ น, ปนวัดอ่าของผู้ นะอ่านะไม่ใช่หดียไม่ใช่หาโภเดียววัดอะไรนะเป็นชื่อของหมู่บ้านนั้นด้วยอ่ะไม่อะไรเล่าว่อนหลัง <c oughs> ก็พักที่นั่นคืนหนึ่งฮนะแล้วก็ตอนกลางวันเราก็มีเวลาว่างทั้งวันนะของวันที่สามนะฮะของห้านะก็ทั้งกระพาไปเที่ยวที่ อ่พิพิธภัณฑ์ที่กรุงกัทตานะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจนะฮะมีทั้งพุทธทั้งพราหมณ์มีอะไรทั้งหลายอย่างนะก็ก็ได้เที่ยวกันพอสมควรทและก็ไป <c oughs> พบกับพวกเพื่อนๆ น, นะตามโรงแรมที่พันพิชัยท่านไปก็ไปทานอะไรด้วยกันแล้วก็ กับขึ้นเครื่องบินเวลาบ่ายมุ่งครึ่งนะของวันที่สี่นะครั บ, บขึ้นบนเครื่องบินก็เป็นอาหารมือที่เยี่ยมมากพราานอาหารมันส้ร้อนั้นก็เขาก็บริการเราได้อย่างดีตามที่เขาจะมีได้แต่จะให้สมบูรณ์เหมือนที่บ้านเหมือนกับที่เครื่องบินก็ก็ยากที่จะทําได้นะฮะ ก็ได้รับความสะดวกสบายดีนะกระสมกับความมุ่ง ม, มาตรพัฒนาของพวกเราทุกๆคนกับผมมีเรื่องที่จะเรียนนำมาสการให้ทราบเพียงแค่นี้ครับท่านใดมีอะไรสงสัยที่จะถามก็อขอเชิญครับพูดถึงอากาศเหมือนกับเชียงใหม่เนี่ยแหละครับตอนเช้ากลางคืนหนาวกลางวันร้อนแล้วก็โดยเฉพาะวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะฮะ พนวันที่ยี่ห้านะั่นนะก่อนวันมาข้าบูชาหนึ่งวันเ <c oughs> มฆฝนฟ้าร้องฝนตกโอ้ยนะมากทีเดียวเป็นคืนที่หนาวมากเราเก่งเอ้พรุ่งนี้วันมาข้าบูชาทําไหมถ้าฝนตกอย่างนี้ผมก็คิดในใจว่าไม่ต้องห่วงวันของเอกบุรุษในโลกนี่ไม่ต้องห่วงพอวันที่ยี่หกนะั่นะนะฮะโอ้สองฟ้าแจ่มใสพระจันทร์เต็มดวงสวยงามมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอ้ มหาชาญจริงๆนะอาจารย์เกศรดามีแล้วไหมครับเราของเก่าให้ฟังท่านไดมีะเราจะถามไหมครั บ, <c oughs> บเนนรารู้ครับรู้เป็นแม่น้ำฮะแต่ว่ามันไม่น้ำอ่ะเพราะเราฮะฮะเพราะเป็นต่ทราย มีสะพานข้ามเงือนนะฮะแต่เราไม่ไม่ข้ามสะพานขาไปนะคะกลัดไปข้ามสะพานแต่ขาไปเราเดินดูยข้าสายไปไม่มีไม่มีเลยในทะรายวัดป่าเลยฮะวัดป่าติดกับพุทธคยาเลยนะฮะติดกันเลยอ่าถ้าเ้าเปิดประตูให้ก็เดินห้านาทีนั่นเองะฮะ ของไทยฮะแล้วก็พระที่นั่นท่านจบโทที่นารันทานน่ะนะฮะให้เป็นรักษาการชาววัดชื่อท่นอานอวทัฒน์ยูกุสโลนะครท่านก็เมตตาให้พวกเรามากมากโดยเฉพาะพาไปให้นินพาไปเที่ยวทา่ทานกับลับท่านก็ไปสงค์เราถึงรถไฟจ่งกระทั่งรถไฟออกเกือบจะห้าทุ่มเกือบจะหกทุ่ ก็มีข้อแนะนำอยู่อย่างหนึงนะครับถ้าจะไปคราวหน้านี่ก็ของไปใช้เท่าที่จำเป็นนะถ้ามากแล้วก็โดยเฉพาะาขากลับผู้หญิงนะฮะถ้าไม่เอาของไป ม, มากก็ขากลับอาจจะได้ของมามากแต่เอาของไป ม, มากขากลับก็ได้ของมาน้อยน ะ, ะเพราะว่าไม่มีที่ใส่นะ ตรงนี้แล้วไม่รอบนี่ครับนี่รถไฟเหรอฮะโอ้อผมไม่รู้เรื่องเลยครับมันคนละที่ ก, กันอ่ะฮะก็ยังเป็นห่วงอยู่เอ๊ะเข้าประกาศทะเลาะกันอยู่ไม่รู้เรื่องนะฮะมีมีฝรังภาษาคนอังกฤษนะน่าเล่าให้ฟังว่ า, วาเขาฆ่าตานด60คน นะแต่คงจะรู้วันแรกแต่วันหลังเกือบหกร้อคนห้าร้อยแปสิบคนนะฮนี้ยังยังมีอยู่ปปลายนะครับตัดการข่าววิทยุอะไรไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้เรื่องนะพอวันไปถึงวันที่ยี่สบสี่ก็สมทบทานสินแปดคนก็นต่างคนต่างอยู่ฮนะไม่รู้ข่าวๆตัดหมดเมืองไทยนะไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างเลยนะรู้ที่ตอนที่ถึงบ้านนั้นนั้นเองฮนะแล้วแล้จิตตวิเวกดีไหม เจริญกุศลเนี่ยเป็นที่พอใจไหมที่ยที่นั่ถ้าผ ม, ม, มห้า อ, อพอใจฮะเป็นครั้งที่ผมได้รับประสบการณ์มากกว่าครั้งก่อนมีคืนไหนในสัตว์ชิกมั่งทั้งคืนอะมีไหมไหนฮะคืนมาคานี่อยู่ทั้งคืนกันเลยปะก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นทั้งคืนหรอกครับนะพอประมาณสักสามทุ่มเศษแล้วก็กลับมาอย่างที่พระของเรา ก็มาทำต่อที่พระของเราเพราะที่นั่นถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องขออนุญาตเขาและคนค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับไม่บอกไม่ไม เ, ไอองเงียบเท่าไหร่เพราะตอนดึกๆอาจจะเงียบนะครับผมเลยสามทุ่มไปแล้วจะเงียบอยู่บ้างครับผมออกมาไปอยู่ที่นั่นวันที่ไปครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ทั้งวันเลยนะไปสัมผัสภาษะเวทนาทั้งวั น, วนเล ย, เลย ก็บอกเนี่ยถ้าใครอยากจะไปนั่งพุทธคยาแล้วกุศลเจริญเนี่ยเนี่ยฝึกไปนั่งใจดีหลวงให้ก่อนนั่นนะเนี่ยแขกไปไทยมาฝรั่งมาเยอะๆนะลองไปนั่งดูถ้ามันสงบได้ก็ไปที่นั่นก็มีเขาอันนีน้ี่จริงครับก็ผมลงไปนั่งที่ต้นโพ น, นะฮะอพอก็ น, นั่งเดียเด๋ยวๆกลุ่มอื่นมาอีกแล้วอ่าเราต้องเบียดเสียดแล้วเราก็ตกลงเราต้องให้เขา ถึงเราออกมาห่างๆหน่อยเดี๋ยวก็ยังว่านะชายกระโปรงชายอะไรมาเปิียวว่อนอยู่แถวนั้นนะ่ะนั่นก็ถ้านียถ้าจะฝึกให้มันดีนะเนี่ยไปนั่งวัดเจดีหลวงเนะี่ยสักกอโหซ้อมให้มันดีสักสิบห้าวันเลย่ะแล้วค่อยไปนะไปนั่งที่นั่นอาจจะเจริญบ้างทางนี <ไป S 2> แล้วก็เพราะว่าเนื้อหาดีแต่ว่าสปายะได้นั้นล่ะนีะะ่อันน่ะสำคัญขออนุญาตกล่าวทำนี่นยนะครับ การไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยในอย่างที่เราเรียนสัมปชัญญะบาะภามา ก, ก่อนน่ะนะก็ให้ความสำคัญรเรื่องสปา ย, ยะอันถ้าหากว่าสถานสถานที่พระเจดีย์ทั้งหลายก็เหมือนกันลองไปนั่งสมาธิในวันมาฆาดูวนะันนะั้นนะ่ะนะนั่งดีไหมคุณจูสีถุ น, <laughs> นี่่วัจเจดีนั่งก็นั่งนะเพาะไงผู้การเดินเมียนเทียน <ม><ม>เป็นแรดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมด<ข>ูแล้วมันใหญ่กว่าที่อื่นเยอะเลยอันนั้เอาไว้คนละประเด็นกัน <c oughs> ไม่เข้าเรื่องเลย <c oughs> อ่ะราะนั้นผู้ที่เจริญกรรมฐานในสถานที่ต่างๆนี่ก็ <c oughs> ต้องต้องฝึกอย่างมากเอามาไปนั่งสวดนั่งสวดอยู่พักหนึ่งนะะสวดขนาดเราก็สวดได้แล้วยังติดติดขัดๆ ด, ดเอนะคนมากๆเข้านี่ มันก็นับว่าน้องมายังชมเลยนะไปอยู่กันได้ยังไงตั้งอาทิตย์เนี่ยเก่งมากชมเลยโอ้โหเก่งมากอยู่ได้ตั้งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอ้โหชมแม้วทอไมเก่งอันนะคุยกับผู้การอยู่เลยนะตารบกังหลายครั้งว่าทำไมอยู่ได้เก่งมากท่านก็ที่สำคัญนะเนะ อยู่ที่ว่าเราสามารถบำเพ็ญกุศลได้มากขนาดไหนที่ไหนก็ถต่ามเธอะถึงเราไปอยู่ที่นั่นแล้วกุศลวิตกเป็นต้นกลุ่มุมเนี่ยเราคิดว่าพระพุทธเจ้าจะอนุมโมทนากับเราไหมผมก็ไม่อนุมโมทนาอยู่แล้วมันการฝึกจิตรักษาจิตห้ามจิตไม่ให้เป็นไปกับบาปเนี่ยสำคัญแต่ทีนี้จิตนี่ไม่ใช่ว่าปัจจัยมันอันเดียวใช่ไหมจิตนะไม่ใช่ปัจจัยเดียว จิตนั้นถ้าโดยธรรมชาติของเขาอะนะสัมปยุตธรรมมีห้าสิคิดดูสัมปยุตรธรมม 52, ม ร, ต ร, ธรมของจิต52คือเจตสิกห้แล้วในเจตสิกห้เนี่ยนะทั้งจิตทั้งเจตสิกห้อเนี่ยร่างอย่างเช่นเรามีชีวิตมากี่ปีแล้วเฉพาะชาตินี้นะทุกๆความคิดในอดีตมาเป็นอุปนิสัยแก่ความคิดขณะนี้เกือบทั้งหมดเลยนะถือว่าเชื่อมาจากเหล่านั้นทั้งหมด แล้วก็ไม่ใช่ของภพเดียวนี่ของอดีตชาติด้วยนั่นอันการศึกษาคำสอนเพื่อการจิตห้ามจิตไม่ให้ไหลไปกับบาปอันนี้ก็ต้องเอามาให้ให้เพียงพอจริงๆถ้าหากว่าไม่สามารถศึกษาพระธรรมคำสอนจนเพียงพอเนี่ยนะอกุศลทั้งหลายก็จะเข้ามายิ่งเอ่อพวกที่ไปหลีกเล่นเนี่ย ตอนที่ไมอยู่ในหมู่คณะสังคมเนี่ยโอ้มันวุ่นวายอยากไปหลีกเล่นซะหน่อยพอไปหลีกเล่นนั่นมันจะวุ่นวายกว่าอยู่กับหมู่คณะอีกถาม่มาทาไมเพราะว่าไ อ, อ, อ้เรื่องเดิมๆเนี่ยจะมาทั้งหมดอย่าว่าโยมเลยพระก็เหมือนกันนะนะสมมติว่าตอนที่ท่านเคยอยู่ในวัดอยู่ในหมู่คณะ่ไม่มีอะไรหรอกแต่พอเนี่ยขึ้นเขาแล้วว่าจะไปเจริญจริงๆอนนะมันไม่จริงหรอก จิตสงบอยู่ไม่กี่นาทีนะที่เหลือฟุ้งตลอดอที่รู้จักเป็นอย่างนั้นันการฝึกจิตไม่ใช่ว่าจะฝึกได้ง่ายนะักนะอันผู้ที่ห้ามจิตจากบาปได้นี่ก็โหมีบุญมาก ามาเข้าพระสูตรเราต่อเลยนะในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าในปฐมเอชาสูตรเนี่ยน ะ, ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายความวันไวเป็นโรคความวันไวเป็นฝี ความวันไวเป็นลูกสรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลแตถาคตเป็นผู้ไม่วันไวปราศจากลูกสอนอยู่คำว่าวันไวตัวนั้นเป็นชื่อของตันหานะตันหานี้เป็นธรรมชาติที่วันไวไอตัววันไวนี่เหมือนโรคเลยในสายตาของพระพุทธเจ้านี้ถือว่าตันหาที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนโรคตันหานั้นเหมือนฝี ตันหานั้นเหมือนลูกสอนความวันไหวเนเหมือนโรคเหมือนฝีเหมือนดังลูกสอนแต่สำหรับพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ไม่หวันไหวปราศจากลูกสอนเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์กำจัดตันหาได้หมดแล้วกำจัดตันหาพร้อมทั้งรากได้หมดแล้วดูกันพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหล ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ไม่มีความวันไหวปราศจากลูกสอนอยู่ภิกษุไม่พึงสำคัญซึ่งจักสุไม่พึงสำคัญในจักสุไม่พึงสำคัญแต่จักสุไม่พึงสำคัญว่าจักสุของเราคำว่าสำคัญ น, นั้นเป็นชื่อของตันหามานะทิฐิเนี่ยนะคือถ้าหากว่าปรารถนาเพื่อความไม่วันไหวในเพื่อ ปราถนัไม่ให้มันหวันไหวด้วยอํานาจของตันหาเนี่ยนะจะต้องไม่สําคัญในจกักรสุไม่สําคัญในรูปไม่สําคัญในจกักรสุวิญญาณถัสสะและเวทนานะก็ตามสูตรนะธรรมะสามสิบนี่แหละพันธาไม่สําคัญในธรรมะสามสิบในหกทวาร น, นะนะธรรมะห้านะคูณหกทวารก็จะเป็นสามสิบนี่นะถ้าผู้ที่ไม่สําคัญใน ธรรมะสามสิบเหล่านี้ก็จะละซึ่งความวันไหวได้เพราะวัถตวววรรถุเป็นที่ตั้งแห่งความวันไหวก็คือธรรมะสามสิบอย่างเนี่ยทั้งที่เปตทวานตาทวานหูทวานจมูกทวานลิ้นทวารกายและทวานใจเนี่ยนะก็อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณภาษะเวทนาเนี่ยธรรมะเหล่านี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความวันไหวอยู่แล้วนั้นถ้าหากว่า ผู้ที่ไม่สําคัญในสิ่งเหล่านี้ด้วยอํานาจตันหามานะและทิฐิก็จะไม่มีความหวันไว้แต่ในตอนท้ายก็ยังบอกว่าไม่พึงสําคัญซึ่งสิ่งทั้งปวงไม่พึงสําคัญในสิ่งทั้งปวงไม่พึงสําคัญแต่สิ่งทั้งปวงไม่พึงสําคัญว่าสิ่งทั้งปวงนี่เป็นของเราเธอนั้นเมื่อไม่สําคัญอย่างนี้ก็ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุงเมื่อไม่สะดุ้งก็ย่อมดับสนิทเฉพาะตนทีเดียว ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วนะกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้หมายถึงว่าผู้ที่ถอนตันหามานะทิฏฐิในธรรมะเหล่านี้นะในทวารหกพร้อมทั้งถ้าในตอนแรกเนี่ยจะขยายเป็นทวารก่อนนะตารูปจกักรวิ ญ, ญญาณภาษาเวทนาหูเสียงโสตะวิญญาณภาษาเวทนา จะโมกลิขานะวิญญาณภาษาเวทนาเล้นรสเชิวหาวิญญาณภาษาเวทนากายโพธภากายะวิญญาณภาษาเวทนามโนธรรมะมโมวิญญาณภาษะและเวทนาพอมาบทสุดท้ายบอกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงก็คือทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะมันก็ไม่สําคัญด้วยอํานาจของตัณหามา n ะและทิฏฐิอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับเพื่อไม่สะดุ้งนะนี เพื่อไม่หวั่นไหวทันถ้าหากว่าหมดความสะดุง้งหมดความหวั่นไหวก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ถูหผู้การคิดยังไงจริงจะไม่หวั่นไหวในเนี่ยธรรมะอย่างที่กล่าวไปเนี่ยไม่สำคัญยังไงดีแนะนำสูตรบ้างเผื่อจะไปเจริญน่จะได้ไม่หวั่นไหวบ้างคือถ้าจะไม่ให้หวั่นไหวนะครก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้อง ต้องเอาธรรมะเหล่านั้นแต่ละตัวมาทําปริญญาออลองทาปริญญาทวารใจดูลองทายัางไงทําปริญญาทางทวารใจนะครับ <c oughs> ก็ก็มีธรรมะตั้งแต่ธรรมารมกับมโนนะแล้วก็เกิดทําให้เกิดมโนวิญญาณทําสามัการก็เป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานะครับก็จะเอาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ย ในในห้าตัวนี้นะครับมาทําปริญญานะครับตัวนี้จะสมมุติว่าถ้าจะเอาเอาโมโนมาซึ่งซึ่งถ้าจะยากที่สุดนะครับถ้าถ้าทำมรรมมาก็ว่ายากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาโมโนมานี่ถ้าจะยากมากเพราะว่าโมโนนั้น ม, มันเกี่ยวข้องกับกับปฏิสนธิจิต ว่าปฏิสนธิจิตนั้นเนี่ยต้องทาปริญญาในปฏิสนธิจิตนี่เป็นเรื่องยาวโขดินะไม่เป็นไรให้เวลาชั่วโมงเลยมากเอาท่านท่านทำดีกว่านหครับไม่กล้าจะเวลาไม่พอเนี่ยไม่ใช่เวลาจะเวลาไม่พอครับให้ชั่วโมงหนึ่งเลยก็ก็เพียงก็ก็อย่างนี้ครับคือว่าถ้าเป็นมโนนะฮะก็คงจะต้องใช้ ใช้ข้อมูลเป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวเนะเพราะว่าเพราะมโนนั้นเนี่ยได้แก่ปฏิสนธิจิตและปฏิสนปฏิสนธิจิตเนี่ยถ้าจะรอบรู้ในปฏิสนธิจิตนี่ว่ามีลักษณะอย่างไรมีการเกิดยังไงมีการดับยังไงมีมีปฏปมมีคุณยังไงมีโทษยังไงมีการสลัดออกนิสรณะนาญยังไงเนี่ย ก็คงจะเอาตัวปฏิสนธิจิตนี้มามาทำปริญญาในลักษณะหัวข้อห้าหกจริงๆแล้วก็เจ็ดหัวข้อนี่นะครับก็มาทำแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อนี่ะซึ่งอให้หลักการกว้างมาก <c oughs> เอาใครจะโชว์ฝีมือผลงานคุณชูศรีเพิ่งสอบมาผ่านๆเนนะี่ย การทนัด ก, ก็ได้เพราะว่าจะอภิธรรมบัณฑิตแล้วปีหน้าเนี่ยอา้อาวะ้